188. ผู้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นกายที่สัมมาทิฐิทำความเข้าใจดีๆอาการจิตแท้ที่เป็นธรรมะที่เป็นกายในปัจจุบันซึ่งต้องเรียนรู้อย่างสัมมาทิธฐิแล้วปฏิบัติจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงกายและจิต ต้องเรียนรู้ให้ครบครันให้ตรงตามพระวจนะไม่ใช่ไปนั่งสะกดกิจหลงอยู่แต่ไอ้ใสในะวางหรือไม่ใสก็ตามที่หลับตาเข้าไปในะวางใช่ทั้งนั้นงมอยู่ในฝันทั้งนั้นแหละตื่นชาคราจจากฝันกันได้แล้วอย่าหลงอย่าหลอกกันต่อไปเลย นั่นมันจมอยู่แต่ในฝันหาความจริงไม่ได้เลิกงมงายการเสียทีเถิดมันศูญเปล่าไม่เกิดผลพุท ธ, ธสัจจะใดเลยจะใช้คนเป็นเครื่องมือสะกดจิตให้ตกเป็นเหยื่อหากินไปอีกนานเท่าใดผู้ที่เรียนรู้ปริยัติความเป็นกายสามมาทิถีแล้ว และปฏิบัติจนสามารถกําหนดรู้ความเป็นกายของตนได้ก็เป็นผู้พ้นสังโยชน์ข้อแรกของสังโยชน์สิบที่เข้าเขตผู้รู้จักรู้แจ้งวิปัสสีตามหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีวิปัสนาญาณแท้คือเป็นผู้ลืมตาเห็นเห็นมีรูปภาวะที่ถูกรู้ และมีนามภาวะที่เป็นผู้รู้หรือภาวะของท่ารู้กระทบสัมผัสกันอยู่หลาดๆเป็นปัจจุบันนั้นทีเดียวแล้ววิจัยรูปธรรมและนามธรรมนั้นมีธรรมวิจัยสัมโพธชงจนกระทั่งวิจัยกายเวทนาจิตธรรมและสามารถวิจัยรู้จักรู้แจ้งรู้จริงตัวกิเลส ที่อยู่ที่จิตในจิตได้จึงจะประหารกิเลสตัวนี้ถูกตัวจนกระทั่งจิตที่เป็นอ ก, กุศลจิตหรือกิเลสนี้ตายลงหรือดับไปจิตส่วนที่เป็นกิเลสของตนดับจิตส่วนที่สะอาดจากกิเลสก็เป็นจิตใหม่หรือเกิดใหม่เกิดในปัจจุบันที่มีสัมมาปฏิบัติไปตามการทำใจในใจ ที่ลงไปถึงที่เกิดโยนิโสมนสิการและผู้ทาใจในใจก็ปฏิบัติมรรคเกตองตามพระพุทธวจนะถูกต้องตรงจริงจึงมีผลแท้มิใช่การปฏิบัติที่ทาใจในใจแบบหลับตาอยู่ในผวังที่ไม่มีภาวะของปัจจุบันอันจะต้องมีสัมผัสหก มีเวทนาหกบ ร, ริบูรณ์อยู่ครบครันสัมผัสวิโมกข้อหนึ่งถึงข้อสตามพระวจนะเป็นต้น